พอรู้ว่าตัวเราไม่มีกลับมีความสุขที่สุดฝึกภาวนาไปแล้วจะเป็นคนใหม่แต่เดิมเป็นคนดีเดี๋ยวนี้ชักเป็นคนร้ายแล้วต้องเข้าใจนะแต่เดิมมันข่มเอาไว้ข่มเอาไว้ด้วยการกำหนดด้วยการเพ่งไม่ละกิเลสหรอกเรากำหนดไปเรื่อยๆไม่ได้ละกิเลสแต่ว่าการที่เราปล่อยให้เขาทำงานแล้วเราเห็นกิเลสผุดขึ้นทั้งวันเลยเขาเกิดดับเกิดดับตอนมันผุดขึ้นมาใหม่เราไม่เข้าใจเราไม่ชอบมัน อยากให้แต่กุศลเกิดไม่ชอบอกุศลต่อไปเราจะเห็นเลยทุกอย่างมันทำของมันเองไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวข้องดูไปจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีเราตัวเราไม่มีแล้วมันจะไปพ้นทุกจริงจริงตอนที่ปล่อยวางความยึดถือจิตได้เพราะจิตเป็นสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดยึดเหนียวที่สุดเราจะรู้สึกเลยว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเดิมมันจะเห็นอย่างนี้ แต่การที่เราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นจะเห็นเลยมันขาดจากกันนะเมือนคนละดวงคนละดวงไม่ใช่อันเดียวกันหรอกเห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปที่แรกใจไม่ยอมรับนะใจไม่ยอมรับหรอกตายแล้วตัวเราไม่มีตัวเราหายไปไหนพอเห็นขันท่ากระจายตัวแล้วก็ชักตกใจตัวเราหายไปไหนเสียดาย แต่ว่าให้เข้มแข็งตามรู้ตามดูไปถึงวันหนึ่งใจซึมซับธรรมะจะยอมรับความจริงตัวเราไม่มีหรอกพอปล่อยทิ้งไปได้นะกลับมีความสุขที่สุดเลยแต่เดิมคิดว่าต้องมีตัวเราถึงจะมีที่ตั้งของความสุขลืมไปว่าถ้ามีที่ตั้งของความสุขก็ต้องมีที่ตั้งของความทุกข์มันอันเดียวกันนั่นแหละทีนี้พอปล่อยตัวเราไปได้ปล่อยจิตออกไปได้ไม่มีที่ตั้งแล้วมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขที่ประหลาดที่สุดเลย เต็มอิ่มอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะ